การฝึกรู้ลมหายใจในอาณาปานสตินั้นพระพุทธเจ้าท่านเริ่มจากการมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าฟัางดูเผินๆ เ, เหมือนจะง่ายนะแต่ความจริงเราไม่เข้าใจว่าแค่มีสติรู้ธรรมดาธรรมดานั้นเป็นอย่างไรส่วนใหญ่จะไปจงใจอย่างแรงกันคือทันทีที่นั่งหลับตาได้ก็บังคับตัวเองทันทีให้เพ่งเข้าไปจับแน่นที่ลมหายใจหรือไม่ก็กดความคิดไว้ไม่ให้พุ่งสัน้นกับทั้งรอคอยคาดหวังว่าเมื่อใดจิตจะสงบสักที ซึ่งนั่นก็จะเป็นเหตุให้เกิ ด, กดความกระวนประวายหรือรู้สึกอึดอัดสภาพของจิตจะคับแคบแล้วก็ทึบทึมลงทันทียิ่งบังคับตัวเองเท่าไหร่ในอาการอย่างนั้นก็จะยิ่งเคร่งเครียดมากขึ้นทางที่ถูกแล้วเรามาเตรียมความพร้อมจะมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกกันก่อนเริ่มต้นเลยให้นั่งหลังเอง็นพิงพนักสบายสบายบนเก้าอี้วางเท้าราบกับพื้น วางมือราบกับหน้าตักปิดตาลงเพื่อตัดเครื่องรบกวนสายตาออไปก่อนจากนั้นสำรวจดูว่าฝ่าเท้าที่วางราบกับพื้นมีอาการงองงุ้มหรือว่าแผลราบในอาการผ่อนพักจะเห็นได้ชัดนะว่าถ้าจิตใจยังฟุ้งซ่านหรือว่าเคร่งเครียดกล้ามเนื้อฝ่าเท้าจะเคร่งเคร่งแข็งแข็งไปด้วยแต่เมื่อเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝ่าเท้าออก ใจก็จะพลอยคลายจากอาการเคร่งเครียดหรือว่าฟุ้งซ่านเหนื่นอยักไปด้วยชั่วขณะหนึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นนะว่าฝ่าเท้าเนี่ยไม่ได้เป็นอวัยวะรับน้ําหนักตัวอย่างเดียวแต่มันยังเป็นเครื่องสะท้อนได้ด้วยว่าจิตใจของคุณมีอาการฟุ้งซ่านมีอาการเคร่งเครียดอยู่หรือเปล่า เมื่อฝ่าเท้าผ่อนคลายดีแล้วพื้นจิตพื้นใจสบายแล้วก็ให้สำรวจในขั้นต่อมาว่าฝ่ามือที่วางราบอยู่กับหน้าตักนั้นมีอาการผ่อนพักอยู่หรือว่ามีอาการกำเกรงถ้าหากว่าฝ่ามือมีอาการผ่อนคลายออกสบายเท่ากับฝ่าเท้าคุณจะรู้สึกสบายครึ่นตัวขึ้นมาทันทีจากนั้นก็ให้สังเกตนะว่าทั่วทั้งใบหน้าของคุณมีอาการเคร่งๆอยู่หรือเปล่า ตัวทั้งใบหน้าเนี่ยนะถ้าหากว่ามันมีอาการผ่อนพักมีอาการสบายจริงๆเนี่ยวังคิ้วจะไม่ขมวดแล้วก็ขมับจะไม่ตึงบางคนถึงแม้รู้ตัวว่าหวาังคิ้วขมวดอยู่ก็ไม่สามารถคลายได้ง่ายๆเหมือนกับฝ่าเท้าและก็ฝ่ามือนะอุบายวิธีง่ายๆก็คือให้ย้อนกลับไปดูใหม่ว่าฝ่าเท้ามันเร้งขึ้นหรือเปล่า ฝ่ามือมันกลมขึ้นหรือเปล่าถ้าหากว่าฝ่าเท้ากับฝ่ามือมีอาการผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งก็ให้ย้อนกลับมาสังเกตว่าวางคิ้วมันคลายลงบ้างหรือเปล่าความรู้สึกหนักๆตึงๆที่หน้าผากมันคลายลงบ้างหรือเปล่าไหนถ้าหากว่าคุณผ่อนคลายจริงๆอาการขมวดที่วางคิ้วก็จะปล่อยคลายตามไปด้วยคุณจะพบว่าเมื่อทั่วทั้งใบหน้าผ่อนพักเต็มที่พร้อมทั้งฝ่าเท้าฝ่ามือ ที่มันมีอาการผ่อนคลายไม่มีส่วนในส่วนหนึ่งกำเกรงอยู่เลยจะเกิดความรู้สึกสบายทั้งตัวขึ้นมานั่นเพราะว่ากล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายมันผูกอยู่กับฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้านี่เองพอผ่อนคลายฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ทั่วทั้งใบหน้าได้นะไม่ว่าจะนองไม่ว่าจะแขนไม่ว่าจะหัวไหล่หรือว่าที่ต้นคออะไรมันก็ผ่อนคลายตามไปด้วยทีนี้เรามาดูต่อไป พอสบายทั้งตัวขึ้นมาได้ใจมันก็พลอยสบายตามไปด้วยใจที่มีอาการสบายเป็นยังไงมันมีอาการเปิดกว้างไม่คับแคบไม่เพ่งเลง็งไม่เคร่งเครียดใจที่สบายนะมันมีความชุ่มชื่นอยู่ในตัวเองลักษณะใจที่สบายนี่แหละพร้อมจะเป็นสมาธิลักษณะใจที่สบายนี่แหละพร้อมที่จะมีสติเข้าไปรู้นะลมหายใจอย่างพอดี ทีนี้อุบายเพื่อที่จะไม่ให้เผลอก็ไปเพ่งลมหายใจแน่นเกินไปนะแทนที่เราจะไปจับลมหายใจทันทีเนี่ยก็เหมือนให้ถามตัวเองว่าขณะนี้สํารวจเข้าไปนะร่างกายมันต้องการลมหายใจเข้าหรือว่าต้องการลมหายใจออกหรือว่าต้องการที่จะหยุดลมอยู่มันมีอยู่แค่สามภาวะ น, นี่แหละถ้าหากว่าร่างกายต้องการลมเข้ามันจะรายงานออกมามันจะฟ้องตัวเองออกมาว่ามีความรู้สึกขาด ขาดลมขึ้นมาก่อนตอนที่รู้สึกขาดลมแล้วค่อยๆลากลมหายใจเข้ามาอย่างนั้นเรียกว่าเป็นความพอดีของร่างกายตามธรรมชาติของร่างกายถ้าหากร่างกายยังไม่ทันรู้สึกขาดแล้วเราไปเร่งลากลมหายใจเข้ามาแบบนั้นเรียกว่าหายใจตามอาการอยากมันมีอาการเร่งรีบมันมีอาการกระวนกระวายทาใจเป็นตัวนำร่างกายก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดเป็นผลลัพธ์ตามมา พอลมหายใจมันเข้าพอดีกับความต้องการตามธรรมชาติของร่างกายไม่ใช่ไปเอาตามความอยากของใจใจก็จะทำตัวเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ไปเป็นผู้อยากผู้เร่งหรือว่าผู้มีอำนาจควบคุมลมหายใจใดๆจากนั้นเช่นกันเวลาที่ลมหายใจถูกลากเข้าไปยนตสุดแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าอึดอัดขึ้นมา พร้อมที่จะให้ร่างกายมันระบายมันผ่อนคลายลมหายใจออกมาตามธรรมชาติจิตก็จะทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้มีอาการผ่อนพักตามร่างกายไปด้วยเช่นกันหลังจากที่ลมหายใจถูกระบายออกไปจนสุดถ้าหากว่าเราไม่มีอาการเร่งไม่มีอาการรีบไม่มีอาการอยากเราจะพบว่าร่างกายสามารถอยู่ได้ของมันเองสบายๆอีกพักหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งพาลมหายใจ ร่างกายก็อยู่ของมันเบาเบาสบายสบายไปได้ใจก็อยู่ในฐานน้าผู้รู้ผู้ดูเบาๆสบายสบายไปได้เช่นกันจากนั้นพอมีความรู้สึกขาดลมขึ้นมาครั้งใหม่เราค่อยเรียกเอาดึงเอาลมหายใจระลอกต่อไปเข้ามานี่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีสติรู้ลมหายใจเข้าเป็นผู้มีสติรู้ลมหายใจออกไม่ใช่เป็นผู้อยากให้ลมหายใจเข้าไม่ใช่เป็นผู้อยากให้ลมหายใจออก ในประสบการณ์ภายในคุณจะเห็นเหมือนกับลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกนะโดยมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลย